อีกอย่างหนึ่งการฟ้อนรําการขับร้องการประโคมโดยความตามที่กล่าวมาแล้วนั้นชื่อว่าเป็นค่าศึกนนะค่าศึกต่อกุศลนะชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสูกะเนี่ยนะการดูการฟ้อนรําขับร้องประโคม ant, ที่เป็นค่าศึกเหล่านั้นชื่อว่านัจคีตวาทิตวิสูกะทัศนะส่วนการงดเว้นจากการฟ้อนรําขับร้องและประโคมที่เป็นค่าศึกนั้นควรจะกล่าวว่าทัศนะสะวนาเนี่ยนะ ก็คือแทนที่จะใช้คําว่าฟังด้วยนะท่านก็ไม่ใช้หรอกท่านใช้แต่คําว่าทัศนะไม่ใช่ดูเฉยๆนะฟังก็ห้ามด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้คาว่าดูเนี่ยไม่ได้ขอบเขตเฉพาะแต่จักรคูทวารแม้แต่โสตทวารก็ใช้คําว่าดูเหมือนกันเหมือนอย่างที่ว่าไอ้มิจฉาทิฐิเนี่ยนะที่ยกตัวอย่างเหมือนกับจับอารมณ์เนี่ยนะการคิดอารมณ์ด้วยมณฑทิฐิเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าทิฐิมันเกิดในจักรคูทวารใช่ไหมขนาดนั้นท่านยังใช้คําว่า โสจะหูติมิจฉาทิฏิโกวิปริตทัสโนเนี่ยนะเพราะว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นความเห็นที่วิปริตใช่ไหมไอ้มิจฉาทิฏิไม่ได้เกิดในจักรวิญญาณนะมันเกิดในชวนะขนาดนั้นมิจฉาทิฏิก็ยังชื่อว่าทัศนะเพราะฉะนนั้คําว่าทัศนะหรือการเห็นเนี่ยนะไม่ได้ว่าเฉพาะแต่ทวานตาทวานหูด้วยแบบนั้นเพราะว่าผู้นั้นย่อมเป็นมิจฉาทิฏิมีความเห็นวิปริตมีความเห็นวิปริตเนี่ยนะ อันการล่วงละเมิดในศิกขาบทนี้ย่อมมีแก่ผู้เข้าไปดูเพราะอยากจะดูเท่านั้นเช่นเข้าไปในโรงหนังเพื่อจะไปดูนะเพื่อจะไปดูการละเล่นที่ว่าไปเนี่ยส่วนผู้เดินไปพบหรือเห็นเฉพาะที่มาปรากฏในโอกาสที่ยืนที่นั่งที่นอนก็มีแต่ความเศร้าหมองไม่ใช่ล่วงละเมิดเนี่ยนะคือคืออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะปกติก็พักตรงนั้นแหละเสร็จแล้วอยู่ๆเขาก็มาเปิดเพลงให้ฟังอ่ะนะ ไปนั่งรอรถอย่างนี้แล้วรถอีกเจาะคันนึงก็มาจอดแล้วเปิดเพลงเสร็จแล้วก็ไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตยินดีไปในการฟังเป็นต้นก็เพียงแต่เศร้ามองก็ยังไม่ชื่อว่าการล่วงละเมิด น, น, นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาเปิดทีวีให้ดูเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ประสงค์มาดูนะแต่ว่าเราอยู่อ ย, อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เปิดเป็นต้นให้ดูก็ดูแต่ถ้าดูด้วยอกุศลจิตขณะนั้นก็เศร้าหมองแต่ว่าไม่ชื่อว่าอย่าง ไม่เชื่อว่าล่วงละเมิดอันนี้แต่ถ้าเปิดเองประสงค์เองใช้ให้เขาเปิดเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้เลยเชื่อว่าล่วงละเมิดก็ในสิกขาบท น, นี้การขับร้องแม้ที่อิงธรรมะก็ไม่ควรเนี่ยนะจะไปขับร้องอะไรที่กิงอิงธรรมะร้องเองไม่ได้นะแต่ธรรมะที่อิงการขับร้องพึงทราบ ว, ว่าสมควรเนี่ยนะคือไม่ได้ร้องเองนะคนอื่นก็ร้องธรรมะที่อิงการขับร้องเนี่ยนะอันนี้ฟังได้ อันนี้ในสะิกขาบทที่7จนะนัจคีตาวาทิตวิสุกทัสนะเนี่ยนะทั้งดูทั้งเห็นด้วยนะทั้งฟอนรำขับร้องแม้กระทั่งทำเองก็ไม่ได้ใช่ให้คนอื่นทำให้ดูก็ไม่ได้ส่วนสิกขาบทที่8ว่ามาลาคันทวิเลปนธารณนะมันนะวิภูสนัานาเนี่ยนะก็ได้แก่มาลาก็คือพวกดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยนะวิเลป ะ, ะวิเลปนะก็พวก แป้งทั้งหลายนะที่เขาบดจัดไว้เพื่อรูปไหล่นอกจากนั้นของหอมมีผงและควันอบเป็นต้นทุกอย่างพวกนี้ชื่อว่าของหอมของหอมนั้นทุกอย่างใช้ประดับตกแต่งไม่ควรแต่ใช้เป็นยาเนี่ยควรอยู่ถ้าลักษณะที่เรียกว่าแป้งยาเนี่ยใช้ได้ั้นใช้ประสงค์เป็นยานะไม่ได้ใช้มาเพื่อประดับแต่ของหอมที่เขานํามาเพื่อบูชาสําหรับผู้รับเอาไว้ไม่สมควร โดยปริยายรายๆหาไม่ได้คือถ้าของหอมที่เขามาบูชาเนี่ยนะอันนี้รับได้ไม่เป็นไรไนะแต่ว่าเอาไปประดับตกแต่งไม่ได้ส่วนสิกขาบทที่9เลยนะคืออุจจารยนะมหาสยนาเนี่ยนะที่นอนที่เกินขนาดท่านเรียกว่าที่นอนสูงเกินขนาดเช่นเลย24นิ้วขึ้นไปเนี่ยนะหรือที่นอนอันเป็นอัตตัปปิยะและเครื่องปูที่นอนเป็นอัตัปปิยะท่านเรียกว่าที่นอนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่นพวกขาเตียงที่มีรูปสัตว์ ร, ร้ายะนะพวกนี้ใช้ไม่ได้รูปสัตว์ ร, ร้ายขาเตียงเป็นขาสิงโตขาอะไรเนี่ยนะถ้าจะรักษาสินแปดนั่งไม่ได้เป็นต้นหรือว่าที่นอนที่ยัดด้วยนุ่นและสำรีก็เชื่อว่าที่นอนที่นอนใหญ่เนี่ยนะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในศิขาบทต่างๆส่วนศิขาบทข้อที่สิบที่ว่าชาตรูปราชะตะปฏิคหานาเนี่ยนะก็ได้แก่ว่า ชาตะรูปะนี่ได้แก่ทองรัชตะได้แก่ปะหาปะกหาปณ ะ, ะไม่ว่าจะเป็นของใดๆมีมาศโลหะมาศไม้และมาศกก้อนอยางเป็นต้นที่เขาใช้เลกเปลี่ยนกันในประเทศนั้นๆของที่เขาใช้ซื้อขายเลกเปลี่ยนกันน่ะนะทองและเงินตราทั้งสองแม้นั้นชื่อว่าชาตะรูปรชาชตะการรับเอาทองและเงินตรานั้นชื่อว่าปฏิหะ การรับนี่นะการรับไม่สมควรไม่ว่าโดยปริยายอะไรๆรับเองก็ไม่ได้ใช้ให้คนอื่นรับก็ไม่ได้เนี่ยนะทั้งรับเองก็ไม่ได้ใช้ให้คนอื่นรับก็ไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นไม่ควรโดยประการต่างๆ น, นะอันนี้ก็เป็นกุศลที่เกิดจากการสมาทานศีนนะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทําด้วยกุศลจิตนะถ้าทําด้วยกุศลจิตแล้วจึงจะเป็นอุบายเครื่องถึงเพื่อให้ได้บรรลุกุศลธรรมชั้นสูงๆต่อไป ส่วนที่น่ารับรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากว่าผู้ที่งดเว้นเนี่ยนะสมทานในการรักษากุศลธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะหรือว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นเมื่อสมทานศิกษาบทเหล่านี้แล้วเนี่ยนะจะมีผลเมียนิสง์อย่างไรถ้าหากว่าจะกล่าวถึงผู้ที่ล่วงละเมิดก่อนบอกว่าไอการล่วงละเมิดเนี่ยเป็นเหตุแห่งอบายทุกติวินิบัติและก็นรก ถ้าล่วงละเมิดตั้งแต่ปานาติบาตเป็นต้นนะมาแต่ละอย่างก็เป็นเหตุให้ไปตกนรกได้หมดเลยนี่นะถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถ้าปานาติบาตก็เป็นเหตุให้อายุสัน้นอธินนาทานก็ให้ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยนะอภรรมอาจารย์ก็ทําให้เป็นที่ชิงชังของคนทั่วไปเป็นต้นนั่นเองนี่นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่ารักษากุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีทั้งวิรัติด้วยทั้งงดเว้นด้วย นะัสมาทานวิรัตงดเวรในกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีก็จะมีอนิสงส์ที่ท่านแสดงอย่างต่อไปนี้นะปานาติบาตเนี่ยนะปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยนะมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือความมีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์เนี่ยนะก็คือเป็นคนที่มีรูปร่างสมส่วนเหมือนกันะหรือว่ามีสมบัติคือความสูงความใหญ่มีสมบัติคือชวนาว่องไวเหมือนนะคนฉลาดดีนี่เอง เพราะว่าคนเวลาทำปานาติบาสเนี่สัตว์ตกใจมันชวนะไม่เคยเล่นมันถ้าเว้นกุศลธรรมเหล่านี้ดีก็ทําให้ชวนะว่องไวสํานวนว่าคนฉลาดนั่นเองแล้วก็ความมีเท้าตั้งอยู่เรียบเนี่ยนะเท้าไม่ใช่สูงข้างต่ำข้างนึงก็เท้าสม่ําเสมอกันดีเป็นคนงดงามนุ่มนวลเป็นคนสะอาดเป็นคนมีความแกล้วกล้ า, ลามีกําลังมากมีวาจาสละสลวยเป็นที่รักของชาวโลกมีวาจาที่ไม่มีโทษ มีบริษัทมีบริวารก็ไม่แตกแยกกันมีความองอาจมีรูปร่างไม่บกพร่องเป็นผู้ไม่ตายเพราะศัตรูฆ่าว่างั้นเนี่ยใครฆ่าก็ไม่ตายว่างั้นเพราะว่าไม่ได้ไปทําเหตุผิดศีลมานี่ใครฆ่าก็ไม่ตายอยู่แล้วความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นผู้มีรูปงามความเป็นผู้มีสุดทรงดีความเป็นผู้มีโรคน้อยเนี่ยนะไม่เศร้าโศกความไม่พลาดพลาดจากสัตว์สังขารที่รักที่พอใจแล้วก็ทําให้มี อายุยืนนะถ้าหากว่าสมทานวิรัตงดเวนจากการฆ่าเนี่ยก็จะได้อ น, นิสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ส่วนอาทินาทานเวรมณีนะถ้าผู้ที่หมั่นสมทานตั้งใจวิรัติงดเวรสังวรไม่ให้ล่วงละเมิดจากการลักทรัพย์ก็จะมีผลเป็นต้นอย่างนี้คือเป็นคนมั่งมีธนทรัพย์นะเป็นคนมั่งมีทัญทรัพย์ธนะก็คือพวกทรัพย์ทัญญาก็คือพวกข้าวเปลือกเป็นต้นนั่นเองความเป็นคนมีพวกทรัพย์ นะความเกิดพวกกระซั์ที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะหมายความว่าโภกกระซัที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นความมีความถาวรมั่นคงแห่งพวกกระซั์ที่เกิดขึ้นแล้วความได้พวกกระซั์ที่ปรารถนาอย่างฉับพลันต้องการจะใช้อะไรก็ได้อย่างนั้นแหละความมีพวกทระซั์ไม่ถูกแบ่งด้วยภัยคือพระราชาโจร น, น้ำไฟทายาทไม่เป็นที่รัก คือไม่มีใครมาช่วงชิงเอาไปนะพระราชาก็ริบไม่ได้โจรก็ปล้นไม่ได้น้ําก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ทายาตอันไม่เป็นที่รักก็ไม่แย่งชิงเอาไปใช้เนี่ยนะหรือความได้ทนทรัพที่ไม่สาธารณะแบบบุคคลอื่นแล้วก็ความได้โลกุตระทรัพย์ด้วยนะแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานก็อาศัยกุศลธรรมเหล่านี้เป็นประฐานเป็นเหตุใกล้ให้ความไม่รู้จักคําว่าไม่มีแล้วก็ความอยู่อย่างเป็นสุขเนี่ยนะ อันนี้เป็นผลของการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะถ้ารักษากุศลเจตนาเหล่านี้ให้ดีอันก็ต้องหมั่นนะเกี่ยวข้องกับปารอบสิ่งใดเนี่ยเป็นของคนอื่นไหมคนอื่นเขาหวงแหนไหมเนี่ยนะพยายามรักษากุศล<ม>กุศลธรรมคือความงดเวน้นหรือเจตนาที่งดเวน้นอันนี้เอาไว้ให้ดีเนี่ยนะก็มีผลมหาศาลส่วนอะพรหมจริยาเวรมณีเนี่ยนะงดเว้นจากการ ประพฤติอภรรมจา ร, รย์เนี่ยนะก็คือการเสริมเมทูลเป็นต้นนะถ้าหากว่างดเวรรักษากุศลธรรมเหล่านี้ได้ดีก็จะทําให้เป็นคนไม่มีศัตรูแล้วก็ความเป็นที่รักของคนทุกคนความได้ข้าวน้ําผ้าและที่นอนเป็นต้นมางั้นแต่ปัจจัยสี่หาไม่ยากมางั้นความนอนสบายนอนก็หลับสบายตื่นก็สบายแต่ถ้าพวกประพฤติผิดศีลข้อ น, นี้บ่อยๆนอนไม่หลับว่บางั้น ความพ้นภัยในอบายนะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องไปเกิดในอบายถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่ควรจะไปเกิดเป็นสตรีเนี่ยนะหรือว่าไปเกิดเป็นคนไม่มีเพศเนี่ยนะหรือว่าถ้าหากว่าศีลข้อนี้ดีก็ทําให้เป็นคนไม่กโกรธความกระทําโดยเคารพเนี่ยนะเป็นคนที่มีสัมมาคาระวะวะกันความเป็นคนเป็นที่รักกันแห่งสตรีและบุรุษหมายว่าใครเห็นก็ชอบใจทั้งหลาย เป็นคนมีอินทรีย์สมบูรณ์เนี่ยนะตาหูจมูกเล่นกายแม้กระทั่งใจก็ไม่พิกงพิการความมีลักษณะที่บริบูรณ์มันมีลักษณะสมส่วนนะนะความไม่มีความสงสัยไม่หวาดระแวงวันความเป็นผู้ขวนขวายน้อยความเป็นผู้อยู่เป็นสุขความไม่มีภัยแต่ที่ไหนความไม่มีความพลัดพลาดกากสัตว์สังขารที่รักนะถ้ารักษาศีลก้อนนี้ดีนะ อันนี้สงเหล่านี้ก็น่าสนใจนะถ้าสมาทานรักษาก็หวังผลได้ถ้าจริงอันนี้สงเหล่านี้เราก็เห็นได้กันตั้งหลายข้ออยู่แล้วแสดงว่าเป็นผลของเหตุที่ดีที่เคยทําไว้ในอดีตทีนี้ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าหมันมาสมาทานรักษากุศลธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นเหตุที่ดีต่อไปในอนาคตที่ควรได้รับนะเนื่องจากการประพฤติเหตุในตอนนี้ส่วนมุสาวาทาเวรมณีเนี่ยนะงดเว้นจากมุสาวาตก็มีผลอย่างนี้คือ มีอินทรีย์ผ่องใสเนี่ยนะหมายความว่าผิวพรรณเป็นต้นนี่นะผ่องใสตาตาไม่ฟ้าหูไม่ฟังจะหมูกไม่เสียเ น, นี่ยนะพวกนี้แหละเรียกวอินทรีย์ผ่องใสความเป็นผู้ผู้จจไพเร า, าะแล้วก็สละสลวยความเป็นผู้มีฟันเรียบแล้วก็ฟันสะอาดความไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่สูงเกินไปแสดงว่าพวกอ้วนเกินผอมเกินเตี้ยเกินสูงเกินนี้ก็ใช้ศีล ใช้วาจาไม่ดีสิเนาะถ้ารักษาศีลทางวาจาดีๆเลยนะสุขภาพก็นเนี่ยไม่อ้วนเกินไม่ผอมเกินไม่เตี้ยเกินไม่ไม่ต่ำเกินเป็นต้นแล้วก็ความมีสัมผัสสบายเนี่ยนะเป็นคนสัมผัสทางกายไม่หยาบว่างั้นแล้วก็ความมีกลิ่นปากกลิ่นปากเหมือนกลิ่นดอกบัวกลิ่นปากนี่กลิ่นดีนะนะไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นเหม็นเว่างนันความ มีคนใกล้ชิดเชื่อฟังดีงั้นนะพูดแล้วก็คนเชื่อฟังอ่ะนะม่แต่พูดคํามันเถียงคำเนี่ยนะหรือแม่พูดคําลูกเถียงไปสิบคาไม่ใช่ลักษณะนั้นแสดงว่าแม่แบบนั้นทักษาศีล ไ, ไ, ไม่ค่อยดีนะพูดแล้วลูกเถียงเป็นต้นเนี่ยนะะถ้านั้นรักษาศีลข้อนี้ดีใครก็ไม่เถียงเนี่ยนะไอ้คำว่าไม่เถียงคือพูดแล้วเขาไม่เชื่อฟังอ่ะนะเขาแสดงกิริยาอาการที่ไม่เชื่อฟังให้เห็นนะแต่ถ้ารักษาศีลข้อนี้ดีก็ คนใกล้ชิดก็เชื่อฟังว่งงางั้นพูดคุยกันรู้เรื่องอล้นะถึงสิ่งที่เราพูดเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้เถียงแบบน่าเกลียดอะไรเขาก็ให้เหตุผลมาเออมันก็คุยกันได้แต่ถ้าศีลข้อนี้ไม่ดีเนี่ยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยพูดบอกลูกเนะี่ยลูกมันเถียงคํานั้นวิ่งหนีเลยนะีไม่รับฟังเหตุผลอะไรต่อไปแล้ะยังไงแสดงว่าพ่อแม่รักษาศีลพวกนี้ไว้ไม่ดีเนี่ยนะเลยลูกหลานไม่เชื่อฟังเลย แต่ไม่ใช่แหมมาสมัานาวันเดียวแล้วจะเอาขออันนี้ส่งอันนั้นเลยไม่ได้นะก็ต้องรักษาให้มันยั่งยืนก่อนอ น, นะนแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลอันนี้ดีก็มีวาจาที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะบางคนนี่มีคำพูดน่าเชื่อถือมากความมีลิ้นอ่อนแดงบางเสมือนดอกโกโกม น, นนะและอุบลเรียกว่าลิ้นบางถ้าลิ้นบางนี่มันพูดง่ายเคยเห็นคนลิ้นหนานามลิ้นหนาแล้วมันพูดยาก กว่าจะออกหลุดมาแต่ละคำนี่มันยากเย็นเหลือเกินเหงนันเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีนข้อนี้ดีลิ้นมันก็ไม่หนาจุกปากหมดเลยอย่างนั้นถ้ารักษาศีนนี้ดีก็ไม่ฟุ้งซ่านนะผลของศีนข้อนี้ก็ทำให้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เป็นคนที่ไม่คลอนแคลนเป็นคนที่มั่นคงะนะส่วนสุราเมรยะมัชฌาปมาทฐานาเวรมณีเนี่ยนะผลจากการเวน้นจากการดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นก็มีผลเมนีส่งว่า ความปฏิพัน์เนี่ยนะคือมีปฏิพันธ์ได้อย่างฉับพลันในกรณียกิจทั้งปว ง, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันหมายคราบว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเนี่ยนะทางตลอดเหตุการณ์ทั้งสามการเลยหลังนั้นเถอะอดีตเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยนะคนมีปฏิพานดีก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผลจากการไม่ดื่มสุราหรือว่าความเป็นผู้มีสติมั่นคงทุกเมื่อนะ เพราะว่าเมานไม่มีสติมลงลืมหมดแหละแล้วก็ความไม่เป็นคนบ้าความมีปัญญาคือมียานความไม่เกียดคร้านความไม่โง่ความไม่เป็นใบนไแสดงว่าพวกใบทั้งหลายพวกบ้าโง่เป็นต้นี้แสดงว่าเป็นผลของการดื่มเหล้าเนะนะไม่มัวเมาความไม่ประมาทความไม่หลงความไม่หวาดกลัวความไม่แข็งดีความไม่ต้องสงสัยว่างั้น ความไม่ต้องแคลงใจความเป็นผู้คนพูดมีสัจจานะคือพูดคําสัต์คําจริงนี่นะแล้วก็เป็นคนพูดแต่วาจาไม่ส่อเสียดเนะี่ยไม่ปิสุนาวาจาไม่พุสวาจาคือไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพอเจอร์คือวาจาที่ไร้ประโยชน์อ่างั้นนี่นะทารักษาศีลงดเวนจากการดื่มสุราแต่เชื่อไหมถ้าคนดื่มเหล้าเลยนะมูสาวาฏนี่เข้ามาหมดส่อเสียดเอ้ยหยาคายเอ้ยพูดเพอเจอร์เนี่ยเต็มอยู่แถวนั้นน่ะพวกเดรฉาเนี่ยไปวนอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลย เพราะฉะนั้นว่าเนื่องจากรักษาศีลพวกนี้ไม่ดีทีนี้ต่อไปก็ถ้ารักษาศีลนี้ดีก็เป็นคนไม่เกียดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะเพรเมาแล้วมันพลัดวันตะกันพรุ่งอ่ะนะลักษณะนั้นนะคนเมาแล้งงานเนี่ยที่รีบด่วนนี่หายรีบหมดเลยนะถ้าเล่าแก้เล่าเข้าปากไปเนี่ยกิจการงานทั้งหลายเนี่ยหมดรีบแล้วนะแต่ถ้าไม่เมานี่แหมงานด่วนเหลือเกินเหมือนกันต้องรีบทําแต่ถ้าเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเอาไว้ก่อนเหมนกันไม่เท่าไรร้องหมอนกันเสียหายก็นิดนหน่อยหนอยเหมือนกัน มันกลายเป็นคนประมาทเพอ้อเรอไปเลย น, นะกลายเป็นคนเกียจคร้านไปทีนี้ถ้าศีลข้อนี้ดีก็ทําให้เป็นคนมีความกระตันยูมีกระตะเวทีกระตันยูก็คือรู้คุณคนกระตะเวทีก็ตอบแทนคุณได้นี่นะแต่ถ้าเมาแล้วลืมหมดแตบบ่ฟังกานแล้วก็ความไม่ตรนีความเป็นผู้เสียสละความมีศีลความเป็นคนตรงความเป็นคนไม่กโกรธเป็นคนมีฮิริมีโอตปะความ เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเป็นอุชุกตาเนี่ยนะเป็นคนมีความเห็นที่ตรงว่างั้นแล้วก็เป็นคนตรงเป็นคนที่มีปัญญามากนะเป็นคนมีความรู้มีญาณะเป็นบัณฑิตเนี่ยนะความฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ หมายความว่าเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการสมาทานงดเว้นจากการดื่มสุราและมีไรเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะต้องหมั่นสมาทานเอานะไม่ใช่ว่าเกิดมาไม่ดื่มเหล้าเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไม่สมาทานแล้วก็ไม่ชื่อว่าศีลเพราะว่าศีล น, นั้นต้องเป็นเป็นกุศลเป็นกุศลที่ปารบเพื่อที่จะงดเว้นเนี่ยนะไม่ล่วงไม่ละเมิดในในสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอ น, นิสงค์ของศีลทั้งหลายเนี่ยนะ แม้แต่อั น, นิสง์ของศีลที่งดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอ น, นิสง์ของศีลเนี่ยนะอ น, นิสง์ของกุศลเจตนาและในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมว่ากุศลศีลเหล่านี้เนี่ยนะที่เกิดจากการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยความงดเว้นเหล่านี้เนี่ยนะเป็นบาตรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเลยนะเป็นบาตของ สมถะเป็นบาทของวิปัสนาเป็นบาทของฌานอภินยาและก็มรรคผลด้วยเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลดำรงอยู่ในศีลอาศัยศีลแล้วสามารถที่จะทำที่สุดแห่งกองทุกได้เนี่ยน ะ, ะเรื่องของศีลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของประโยคบริสุทธ์นะผู้ที่รักษาได้ดีทั้งหมดนี่เรียกว่าประโยคบริสุทธ์หลั ง, งนี้คนมีประโยคะดีเนี่ยนะ โยชนคือทางกายไม่ล่วงละเมิดไปทําปานาติบาตเป็นต้นทางวาจาก็ลักษณะเดียวกันแม้กระทั่งทวารกายวาจาทั้งกายทั้งวาจาทีนี้คนที่มีกายวาจาดีอย่างนี้แล้วอาชีพก็เป็นอันหวังได้ว่าบริสุทธิ์แน่นอนนะเพราะว่าอาชีพยังไงเสียมันก็ไม่พ้นกายวาจาอยู่แล้วถ้ารักษากายวาจาเป็นไปกับกุศลได้สัมมาอาชีพก็เป็นไปดีอยู่แล้วนี่นะอันนี้ สิขาบทก็จบแต่เพียงเท่านี้นะ